592-1991 วิทยุราชมงคลทัญบุรีเอฟเอ็เมกะเฮิรเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตเฮลที่กลับกลับของคนรักสุขภาพโดยทียราวดียิ่งมีและนัดนรีสุขดีทุกวันอาทิตย์4นาริกาถึง5นาริกาที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี fm 8 9 5 MHz สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเทวติครับครับของคนรักสุขภาพนะคะรายการสุขภาพที่อยู่คู่กับคุณผู้ฟังในวันครอบครัวแบบนี้ค่ะก็คือทุกๆวันอาทิตย์นะคะช่วงเวลา4ี่นาฬกาถึง5้านาฬิกาค่ะ1นึ่งช่องวงเต็มๆกับสาระความรู้ในเรื่องของสุขภาพค่ะดั้เนินรายการค่ะดิฉันธีรวดียิ่งมีค่ะดิฉันนัดนารีสุขดีค่ะเพอ่มป๊บเดียวค่ะพี่แมวนี่ก็ช่วงของกลางเดือนกันยายนแล้วเหมือนกันนะคะ จะบอกว่าไวมาก ม, มีความรู้สึกว่าปีนี้ไวมากค่ะหลวงพียังพูดกับพี่ๆน้องๆที่ทํา ง, งานเลยบอกว่าอันนี้คือเดือนเ้าแล้วใช่ไหมค่ะมีความรู้สึกไวมากค่ะคุณนุ่ฟ้ามเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่ได้ทําอะไรนะเริ่มต้นทําเลยแล้วค่ะหรือรายสีเดือนนับถอยหลังแล้วแล้วก็ใครที่จะเกษียณอายุราชการบางคนก็ใจหายน ะ, ะเพราะว่าสิ้นเดือนนี้ก็ถือว่าวันที่30ทํา ง, งานมาสุดท้ายแล้วะนะคะก็ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้ได้นะคะแล้วก็แต่ว่าบางคนนี่เขาก็ มีการวางแนวทางไว้แล้วนะคะว่าเมื่อหลังจา ก, กเกษียณอายุราชการไปแล้วเนี้ยจะต้องทําอะไรบ้างจะต้องมีกิจกรรมอะไรบ้างแต่ว่าแนะนําว่าส่งเสริมด้วยข่าวว่าจะต้องมีกิจกรรมทํานะคะเพื่อว่าเราจะได้ไม่เป็นโรคซึมเศร้าบางคนเนี้ยติด ก, กับการตื่นเช้านะคะ อ, อาบน้ําแต่งตัวไปทํางานแต่ว่าพอเริ่มต้นวันที่หนึ่ ง, งตุลาคมเนี้ยเอาแล้วชีวิตฉันจะยังไงดี <laughs> ฉันเคยอาบน้ําตั้งแต่ตอนตีห้าคือออกบ้านหกโมงเพื่อที่ไปทํางานเราก็ต้องเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสไตล์กัน ใช้ชีวิตของเรานะคะแล้วก็ทําทุกอย่างให้มีคุณภาพแล้วก็ให้มีความสุขมากที่สุดค่ะค่ะก็กันยายนสําหรับคนทั่วๆไปก็ไปลายปีแต่สําหรับบางกลุ่มอย่างที่พี่แมวบอ ก, <ม>กเกษียนอายุโดยเฉพาะราชการนะค ะ, คะชีวิตเขาก็จะเปลี่ยนไปบางคนเขาก็มีการวางแผนมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวางแผนมาแล้วก็ใช้ชีวิตหลังเกษียณให้มันมีความสุขนะค ะ, คะยังเหลืออีกครึ่งเดือนนะคะสำหรับคนที่จะเกษียณอายุใช่แล้วค่ะ <laughs> บางคนก็จะบอกว่าใครที่อาจจะมีลูกศิษย์ลูกหา นะคะก็จะได้เริ่มหันมาพบปะสังสรรค์กันมากขึ้นะนะคะค่ะ แล้วก็ท้าไม่ได้มีอะไรทําเกษียณอายุแล้วก็ฟังรายการเราสองคนก็ได้นะอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะทุกวันอาทิตย์เลยค่ะเนี่ยแหะกลุ่มผู้สูงวัยเลยตื่นแต่เช้านะคะตีสี่ถึงตีห้านะคะอ่ะช่วงแรกค่ะเหมือนเดิมเลยเรามีในเรื่องของข่าวสารและกิจกรรมสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังค่ะของดิฉันเป็นโรงพยาบาลหัวเฉียวค่ะเขาจัดงานวันหัวใจโรคนะคะคือปัจจุบันนี้โรคหัวใจถือว่าเป็นโรคอันดับต้นๆที่คร่าชีวิตคนไทยนะคะแล้วจํานวนผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ สาเหตุก็มาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการใช้ชีวิตที่มันเปลี่ยนไปนี่ล่ะค่ะแล้วก็ยังมาจากอายุที่มันมากขึ้นประเทศไทยมีประชากรสูงอายุถึงหนึ่งในสนะคะอุบัติการโรคหัวใจจึงสูงขึ้นค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุเยอะโรคหัวใจก็เป็นกันเยอะนะคะเนื่องในวันหัวใจโรคค่ะศูนย์หัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลหัวเฉียวเขาจัดกิจกรรมเสวนาพิเศษโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวผู้เชี่ยวชาญ น, นะคะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะ เป็นวิทยากร น, นะคะแล้วก็กิจกรรมนี้จะมีในวันเสาร์ที่21กันยายนนี้นะคะเวลา8ปนกานาทีถึง12นาฬกานะคะที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น2อาคาร22ชั้นโรงพยาบาลหัวเฉียวค่ะเขามีเปิดให้รับสิทธิ์ตัวสุขภาพและของที่ะระลึก รับจำนวนจำกัดแค่เพียง200ท่านแรกเท่านั้นนะคะสอบถามและสำรองที่นั่งข้อมูลต่างๆได้เลยค่ะคุณผู้ฟังที่เบอร์ 02223-1351 ต่อ3126นะคะ 02223-1351 ต่อ3126ค่ะค่ะคอนิันก็จะบอกน้องทีว่าโรงพยาบาลเดียวกัน<ม>เลยค่ะที่เดียวกันเลยค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งหลายๆกิจกรรมนะคะที่หำมาฝากคุณผู้ฟังของโรงพยาบาลหัวเฉียวนะคะวันที่21เหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าคน ฉันเนี่ยเริ่มตั้งแต่เวลา9้านาิกานาทีเป็นต้นไปนะคะในกิจกรรมของโรงพยาบาลหัวเฉียวในครั้งนี้เนี่ยเขาให้ชื่อว่าสาระดีๆเพื่อคนรักสุขภาพนะคะก็จะเป็นการที่คุณหมอหรือว่าผู้เชี่ยวชาญ น, นี่แหละค่ะก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิต นะคะแล้วก็การเรียนรู้ป้องกันในเรื่องของระบบการย่อยอาหารระบบกรดแล้วก็เรื่องกรดไหลย้อนะคะรู้จักเทคนิคการกินน้ําตาลการป้องกันโรคเบาหวานโรคอว้คอวนไขมันในเส้นเลือดเทคนิคการดูแลสุขภาพนะคะก่อนที่จะเกิดเป็นโรคไตาวายาหรือว่าไตาเสื่อมนะคะโรคเกาโรคข้อเสื่อมนะคะก็สามารถที่จะหาข้อมูลได้ในรถฉกในครั้งนี้ที่ทางโรงพยาบาลหัวเฉียวจัดนะคะรวมถึงใครที่มีความรู้สึกว่าโอ๊ยสมองฉันดีไม่เนี้ยนะคะก็ไป เข้าอบรมหรือเข้าฟังได้นะคะเทคนิคการดูแลสมองในวันนี้เพื่อที่จะห่างไกลโรคสมองเสื่อมหรือว่าโรคอัลไซเมอร์นะคะอัลไซเมอร์ก็เป็นโรคทางบรรทุกรรมนะคะ <c oughs> ใช่แล้วค่ะนะคะโรคซึมเศร้าด้วยนะคะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครอยู่ในช่วงภาวะแบบช่วงนี้นะอย่างที่บอกกันไปว่าใกล้ที่จะเกษียณอายุราชะการแล้วนะบางคนนะมีความรู้สึกว่าฉันจะใช้ชีวิตยังไงดีมีความต้องเกิดภาวะซึมเศร้าแน่นอนเพราะว่าลูกๆ ห, หลานๆหรือว่าใครเนี่ยก็ออกไปทํางานกันหมดในบ้านแล้วเหลือจะทิ้งฉันไว้คนเดียวนี่คงจะไม่ได้ก็อาจจะเกิดภาวะซึมเศร้านะคะก็ สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะคะที่โรงพยาบาลหัวเชียวค่ะคุณผู้ฟังตั้งแต่เวลา9ก้านากาสนาทีเป็นต้นไปนะคะฟรีตลอดทั้งงานเลยค่ะคุณผู้ฟังสัมรองที่นั่งหรือว่าโทรศัพท์เพิ่มเติมสอบถามข้อมูลนะคะ 0-2 4 2 2ส9 9สนะคะต่อ4123ค่ะขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับชีวิตหลังเกษียณก็ลองเลือกดูค่ะช่วงนี้โรงพยาบาลหัวเชียวเขาก็จัดกิจกรรมบ่อยนะคะใครเป็นโรคอะไรตรงกับโรคไหนนะคะก็ไปฟังหรือว่าไม่ได้เป็นเลย ว่าจะไปหาความรู้เพิ่มเติมหรือว่าจะไปศึกษาหาข้อมูลเพื่อว่าเอ๊ะบุคคลในครอบครัวหรือว่าเราสามารถที่จะไปเล่าให้ใครฟังหรือว่าหนือบางที่เราอาจจะเป็นคนดูแลผู้ป่วยใช่แล้วค่ะก็สามารถที่จะเข้าไป โครงการนี้ได้ไปอบรมในครั้งนี้ได้ฟรีตลอดทั้งงานค่ะก้านนิกาสนาทีเป็นต้นไปที่โรงพยาบาลหัวเชียวค่ะส่วนใหญ่เขาก็ฟรีตลอดทั้งงานแล้วก็มีสิทธิต่างๆของที่ระลึกนะพี่แมว<ช>เขาจัดกิจกรรมแต่ละทีแล้วก็รายการเราก็เป็นสื่อกลางนะคะในการบอกข่าวสารในเรื่องของกิจกรรมสุขภาพซึ่งส่วนใหญ่ก็จะฟรีแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะค ะ, ค, ะคุณผู้ฟังอยู่ย่านไหนแถวไหนสนใจกิจกรรมไหนก็อยากให้ไปร่วมกันดูแลสุขภาพนะค ะ, คะ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 อิงลิสโซนพร้อมให้บริการทุกวันอาคารเวลา12นถึง13นาิกาที่ชั้น3สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุรีจังหวัดปทุมธานีสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมที่02 549 3653ช่วง h e a l Trip h สนับสนุนโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพโดยบุรณาการองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยกับวิทยาศาสตร์สุขภาพกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2อของรายการเทล่ยวที่คลับคลับของคนรักสุขภาพนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของ Health t r i ปนะคะทริปหลากหลายนะคะเรามีมาฝากคุณผู้ฟังเรียกว่าไม่มีซ้ำกันเลยในยแต่ละสัปดาห์นะคะดิฉันมีทริป ทิปแรกเลยเนี่ย เ, เริ่มต้นด้วยเคล็ดรับลดความเสี่ยงโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นโรคอะไรบ้างก็โรคทั่วไปอะคะ่ะพี่แมวอ ย, อย่างเช่นเบาหวานความดันนะคะโรค เกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เป็นได้ในชีวิตประจําวันเนี่ยอะไรบ้างนะคะเรามีเคล็ดลับลดความเสี่ยงนะคะอย่างแรกเราเลยง่ายๆเลยพี่แมวกินอาหารครบ5หมู่พอเพียงพอดีเพราะร่างกายจะได้รับอาหารทั้ง5ชนิด5หมู่เนี่ยเพราะว่าไม่มีอาหารชนิดใดชนิดเดียวที่เราทานนะคะพอทานอาหารครบเนี่ยตามความต้องการของร่างกายร่างกายเราก็จะแข็งแรงนะคะอย่างที่สองจะลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็ต้องเป็นเน้นการกินปลาเป็นหลัก ะะกินผักเป็นพื้นกินปลาเป็นตักกินผักเป็นพื้นก็นนคือส่วนใหญ่ก็ทานปลาที่มันมีปลาเนี่ยมันจะมีโปรตีนที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ย่อยง่ายมีไขมันต่ำ ม, มีโอเมก้าสป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ม, มีแคลเซียมและแร่ธาตุที่สําคัญค่ะควรกินปลาเป็นประจําสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งนะคะส่วนผักและผลไม้เนี่ยก็เป็นอาหารที่มนุษย์ขาดไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นแหล่งที่มีวิตามินและแร่ธาตุอุดมด้วยใยอาหารมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระและภูมิต้านทานให้กับร่างกาย ะะกินอาหารครบห้าหมู่แล้วกินปลาเป็นหลักกินผักเป็นพืนแ ล, แล้วก็ต้องกินอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบจากธรรมชาติผ่านการปรุงแต่งน้อยที่สุดพี่แมวก็คือให้เลือกอาหารสดลด อ, อาหารแชร่แข็งหรือว่าพวกอาหารดองอะไรอย่างเงี้ยนะคะผลไม้ก็สดๆอย่างเงี้ยนะคะที่ทานไม่ใช่ว่าแช่อิ่มหรือว่าถนอมอาหารนะคะอีกหนึ่งอย่างค่ะเลือกกินอาหารประเภทต้มแกงย่างยำอบนึง่งหรือน้ำพริก รสกินอาหารพวกทอดแล้วก็มันๆ น, น, นี่น<า>ะคะรสอาหารที่ไม่จัดนะคะก็คือรสหวานมันเค็มก็คือกินจืดพี่แมวมก็ก็อ่านถ้าเกิดมันจะอ่านไม่ไหมอะไใช่คุณรจะบอกบ า, างอย่างก็ไม่เอยแต่ว่า บางอย่างเนี้ยมันก็มีตัวอื่นที่เป็นสา่งที่ทำาจากธรรมชาติสามารถทดแทนกันได้อย่างเช่นความหวานไม่ใช่น้ําตาลแต่เราจะมีญ่าหวานซึ่งเป็นมาจากธรรมชาติก็สามารถที่จะทดแทนความหวานได้ไอคานอาหารรถไม่จัดก็คือรถหวานมันเค็มเนี่ยเขามีสูตรนะคะสูตรก็คือ6ต่อ6ต่อหนึ่งก็คือน้ําตาลไม่เกิน6ช้อนชาน้ํามันไม่เกิน6ช้อนชาแล้วก็เกลือไม่เกิน1ช้อนชาค่ะการควบคุมโรคไม่ติดต่อระรังจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคนะคะก็แนะนําเพิ่มเติมค่ะ ถ้าอยากห่างไกลโรคเนี่ยควรจะฝึกให้เป็นมนุษย์อ่อนหวานอ่อนหวานก็ไม่ใช่กิริยาอ่อนหวานแต่อย่างใดก็คือรสหวานห่างไกลาจากความหวานนั่นเองค่ะเป็นมนุษย์รสจืดอืมค่ะ รถนิสัยการกินไขมันสูงแล้วก็อาหารรสจัดนะคะฝึกเป็นมนุษย์อ่อนหวานเนี่ยต้องตระหนักว่าความหวานเป็นอันตรายนะคะเริ่มจากการค้นหาอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตัวเองชอบกินที่มีรสหวานติดหวานเนี่ยค่อยๆลดอย่าหักดิบนะคะสิ่งสำคัญก็คือต้องระวังอาหารที่หวานสุดอย่างเช่นเครื่องดื่มที่มีรสหวานขนมหวานผลไม้รสหวานนะคะลองทาภายใน1เดือนเนี่ย ก็ถ้าลองทําภาย1เดือนก็จะสามารถปรับพฤติกรรมได้นะคะก็คือลองทําไปหนึ่งเดือนเดือนที่2ก็ 2> อาจจะ ก, กินได้แบบง่ายๆแล้วพี่แมวจากรสจืดก็อร่อยละก็จากที่ไม่ไม่ไ ม, มีรสชาตินะก็จ <c oughs> ากอย่างที่พีบอกว่าอาจจะอร่อยเลยก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็ต้องหัดเป็นมนุษย์รสจืดอย่างที่บอกคือต้องรู้ว่าอาหารรสเค็มเนี่ยมันอันตรายเครื่องปรุงรสเค็มอย่างเช่นผงชูรสผงฟูร้วนเป็นแหล่งโซเดียมทั้งสิ้นนะคะควรชิมก่อนปรุงกวาดเครื่องดื่มปรุงรสออกจากโต๊ะอาหารค่ะ น้ำปลาานี่ไม่ต้องเอาไว้บนโต๊ะอาหารนะคะพี่แมวคือทำมายังไงก็กินอย่างไั้นค่ะ <c oughs> นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารพวกหมักดองอาหารเค็มหมูเค็มเนื้อเค็มอะไรอย่างนี้นะคะลดลดนิสัยการกินอาหารไขมันสูงต้องตระหนักเลยว่ามันอันตรายเลี่ยงอาหารพวกทอดพวกผัดนะคะค้นหาอาหารที่มีไขมันสูงที่กินได้ด้วยตัวเองแล้วค่อยๆให้ค่อยลดนะคะอย่าหักดิบกินอาหารประเภทต้มพี่แม ว, แมวนึ่ง นะคะพวกนี้กินน้ำพริกนะคะใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งก็ปรับพฤติกรรมได้ <g iggle> ก็คือคเราจะ <ๆ S 1> เราจะลดอะไรอ่ะลดลดหวานแล้วก็ปรับพฤติกรรมหนึ่งเดือนเหมือนกันแล้วก็ไม่กินอาหารที่มันไขมันสูงหนึ่งผักต้มผัก <g iggle> น้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยนะคะลดอาหารลดจัด มันท่องกับตัวเองว่าลดมันสักนิดพิชิตโรคอ้วนลดเค็มปี๋หนีห่างความดันลดหวานลงหนอ่อยถอยห่างเบาหวานท่องไว้นะคะแล้วกินอาหารตามสูตร6ต่อ6ต่อหนึ่งก็คืออย่างที่บอกว่าน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนชาน้ำมันไม่เกิน6ช้อนชาและเกลือไม่เกิน1ช้อนชาค่ะ ก็เป็นความปรารถนาดีจากสสสนะคะอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีและสนับสนุนให้รับประทานอาหาร2ต่อ1นต่อหนึ่งประกอบไปด้วยผัก2ส่วนเนื้อสัตว์1ส่วนแล้วก็แป้งแค่1ส่วนนะคะปฏิบัติตามหลัก3อ 2. สได้แก่อาหารออกกำลังกายอารมณ์แล้วก็ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุรานะคะเชื่อแน่ว่าทุกคนปฏิบัติตามเนี่ยก็จะเสี่ยง ลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้อย่างแน่นอนค่ะคช่ก็ช่วงแรกๆอาจจะกลั้มกลืนฝืนทนสักนิดนะคะแต่ว่าเพื่อสุขภาพแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเราสร้างความเคยชินกับเรามีความรู้สึกว่าเนี่ยของตรงหน้าเนี่ยคือสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็ห่างไกลโรคเนี่ยก็อาจจะทำให้มีพลังที่จะ อ, อร่อย ก็ดีแบบนี้นะคะคุณกินไปมันก็ชินสร้างอินสปิเรชันให้กับตัวเองนะคะคุณนุฟังเอาละค่ะมาถึงเทคนิคของดิฉันบ้างทริปของดิฉันบ้างนะคะอันนี้นี่ขอเป็นทริปง่ายๆก็ใกล้ตัวอีกเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของการเก็บรักษายาคือบางทีนี่เราได้ยามาไม่ว่าจากโรงพยาบาลหรือจากที่ไหนก็แล้วแต่คุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่าบางทีเนี้จะมาในรูปของฟอยล์มาในรูปของซองสีน้ําตาลเข้มๆนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเก็บรักษายาเหล่านี้กันค่ะ ยบางคนนะคะมีข้อสงสัยว่าทรไมยาบางชนิดเนี่ยจะต้องบรรจุในซองสีน้ำตาลแล้วก็ไม่เก็บยาในซองนี้จะได้หรือเปล่านะคะซึ่งคุณหมอบอกว่า ยาหลายชนิดนะคะเมื่อสัมผัสกับแสงจ้าหรือว่าแสงแดดเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยอาจจะทําให้ยา น, นั้นอะเสื่อมคุณภาพนะคะแล้วก็อาจจะใช้ในการรักษาเนี่ยไม่ได้ผลซึ่งยาลักษณะดังกล่าวจึงต้องได้รับการรักษาให้สภาวะป้องกันแสงแดดหรือว่าแสงตลอดเวลาช่วงเวลาที่มีการนําไปใช้จนถึงวันที่ยานี้ขาหมดอายุนะคะดังนั้นการเก็บรักษาเพื่อประกันคุณภาพยากลุ่มนี้เนี่ยก็คือให้เป็นตามมาตรฐานต้องบรรจุในบรรจุภันธุ์หรือภาชนะที่ป้องกันแสงได้อย่าง เช่นซองสีน้ำตาลที่เป็นสีชานะค ะ, คะกล่องกระดาษทึบนะคะแผงอลูมิเนียมนะคะหรือว่าตัวบลิสเตอร์ที่มีความทึบแสงนั่นเองทีนี้ผู้ใช้ยาสามารถสังเกตได้ว่ายาชนิดไหนต้องเก็บแบบป้องกันแสงนะคะก็คือจะมีข้อความข้อความเนี้ยบนฉลากยาเนี่ยหรือว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยแจ้งไว้ว่าควรเก็บยาให้พ้นแสงเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยามาแล้วบางทีเราก็ต้องตรวจดูหน้าซอหรือว่าตรวจดูเอกสารกำกับยาให้ชัดเจนด้วยนะคะ ทีนี้ยาที่ต้องเก็บให้พ้นแสงเนี่ยสามารถแกะแกะใส่กล่องได้หรือเปล่าคือบางคนบอกว่าก็ถ้าเกิดใส่กล่องเนี่ยมันก็มีความมืดมันก็พ้นแสงได้นะคะคุณหมอบอกว่าเมื่อผู้ป่วยนํายาที่ต้องเก็บพ้นแสงเนี่ยมารับประทานเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ควรที่จะเอายาตัวนั้นละค่ะกลับเข้าไปในบรรจุพันธุ์เดิมที่ได้รับมาห้ามแกะเม็ดยาออกจากแผงหรือว่าแกะเม็ดยาใส่กล่องโดยเด็ดขาดค่ ะ, คะเพราะว่าในบางกรณีเนี่ยหากมีความจําเป็นต้องจัดยาไ ว, ไว้ล่วงหน้าสําหรับผู้ป่วยบางรายอย่างเช่น ผู้ป่วยสูงอายุผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลตัวเอ ง, เองได้เนี่ยก็สามารถที่จะกระทำได้แต่ไม่ควรจัดเตรียมไว้ให้นานเกินกว่า1สัปดาห์นะคะควรจะจัดกล่องพลาสติกสำเร็จรูปมาใส่แยกยาเป็นรายวันหรือว่าเป็นรายมือนะคะเพื่อช่วยป้องกันเนี่ยให้ยาเนี่ย ป้องกันยาจากแสงแล้วก็ความชื้นในอากาศได้เพราะฉะนั้นทางที่ดีอะค่ะก็คือไม่ควรที่จะแกะเข้ามาไว้ตังหากก็ควรคที่จะให้อยู่ในบรรจุพัณฑ์เดิมๆนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าลืมยาไว้ในรถยนต์หรือว่าที่จอดกลางแจ้งนะคะเป็นเวลาระยะเวลาหลายๆชั่วโมงนะคะยาจะคงใช้อยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะคะซึ่งการเก็บยาหรือบางคนเนียลืมลืมถุงยาไว้ในรถยนต์นะค ะ, คะหรือว่าจอดไว้กลางแจ้งในเวลากลางวันเนี้ย ก็เปรียบได้กับการเก็บยาไว้ในสภาวะแวดล้อมที่ร้อนจัดอาจทำให้ยานั้นนะเสื่อมสภาพได้ก็เลยไม่ควรที่จะนำยานั้นมาใช้ต่อค่ะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะหากเป็นยาสำคัญที่ใช้รักษาโรคเรื้อรงังอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานนะคะเพราะว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยจะรักษาไม่ได้ผลแล้วผู้ป่วยอาจจะได้รับอันตรายจากยาที่คุณสมบัติเขาเปลี่ยนแปลงไปนะคะ แล้วนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการเก็บยาไว้ในคอนโซลหรือว่าในลิ้นชักหน้ารถแม้แต่ว่ารถนั่นัะจอดอยู่ในที่ร่มหรือในอาคารก็ตามก็คือไปไหนไปด้วย นะคะไปไหนเราเอาตอเตาถุงยาของเราไปด้วยะนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่เป็นยาเม็ดเปลือยหรือยาที่บรรจุอยู่ในแผงใสเมื่อ น, นำออกมารับประทานแล้วเนี่ยเราต้องมีวิธีการเก็บอย่างไรนะค ะ, คะทีนี้ยาเม็ดเปลือยหรือยาที่บรรจุอยู่ในแผงใสเนี่ยเมื่อเรานำออกมารับประทานแล้วเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องการสัมผัส ความชื้นนะคะซึ่งจะเพิ่มโอกาสการกร่อนของเม็ดยาอาจจะทำให้ยา น, นั้นเสริมคุณภาพได้เร็วมากขึ้นดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังเมื่อ น, นำยาออกมารับประทานแล้วเนี่ยก็ควรจะเก็บยาเข้าสู่บรรจุพัณฑ์เดิมแต่ถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นต้องแกะยาออกมาจากแผงแล้วไม่สามารถใช้ได้ทันทีอย่างเช่นยาที่ยาบางอย่างคะ่ะคุณผู้ฟังน้องที คืต้องทานครึ่งเม็ดและอีกเม็ดจะต้องเก็บยังไงใช่ไหมคะทีนี้ยาอีกครึ่งเม็ดที่เหลือเนี่ยควรจะเก็บในภาชนะที่ปิดสนิทอย่างเช่นซองใส่ ย, ยาที่มีซิปถุงพลาสติกที่เป็นซิปล็อกนะคะหรือว่ากล่องยาหรือขวดยาที่มีฝาปิดมิดชิดแล้วก็วางอยู่ในที่ที่ไม่มีความชืน้นหรือในตู้ที่มีฝาปิดสําหรับเก็บยาโดยเฉพาะค่ะอันนี้ก็คือถ้าเกิดบางคนต้องอต้องกินยาแค่ครึ่งเม็ดเม็ดอ่าแล้วก็มื้อต่อไปก็ทานอีกครึ่งเม็ดก็ต้องเก็บให้ถูกต้องทีนี้สิ่งที่ควรคํานึงเพิ่มเติมเกี่ยวกกกัับารรษ สายยาค่ะคุณฟังก็คือตำแหน่งของการวางยาไม่ควรวางยาบนโต๊ะอาหารค่ะคุณฟังบางคนบอกว่าสะดวกอะ่ะทานข้าวเสร็จก็จะได้ไม่ลืมกินได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะแต่ว่ามันจะเป็นตำแหน่งที่ไม่ปลอดภัยสำหรับเด็กเล็กหรือว่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้านถ้าเกิดเป็นยาน้าล่ะถ้าเกิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงภายในบ้านเนี่ย กระโดดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเด็กเล็กเนี่ยไปหยิบกินหรือไปเปิดกินได้เนี่ยก็จะเกิดอันตรายหรือถ้าเป็นยาน้ําขวดตกแตกก็จะทําให้เกิดความเสียหายได้ฉลากยานะคะคุณฟังห้ามทิ้งฉลากยาที่ระบุชื่อยาแล้วก็วิธีการดูแลไม่ให้ฉลากยานั้นเปียกชื้นหรือว่าหลุดลอกหรือมีความเลอะเลือนจนไม่สามารถที่จะอ่านได้อคือบางทีเนี่ยเดี๋ยวนี้เนะี่ย ตามโรงพยาบาลเขาก็จะให้มีสติกเกอร์ปะหน้าซองใช่ไหมคะคือชื่ อ, อชื่อนามสกุลอายุชื่อตัวยานั้นๆวิธีเก็บรักษารวมถึงการรับประทานทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าบางทีสติกเกอร์ตัวนี้อาจจะหลุดลอกออกไปแต่ว่าเราต้องคอยตรวจแล้วก็อย่าให้เนี่ยเขาหลุดลอกออกไปแล้วก็อย่าให้เปียกชื้นเพราะว่าตรงนั้นนะ่ะมันจะบ่งบอกว่า ยานี่จะต้องทานแบบไหนบ้างรวมถึงตัวยาถ้าเกิดว่าใครทานไปแล้วแพ้ก็จะได้เอาตัวชื่อยาเหล่านี้ล่ะค่ะไปแจ้งกับคุณหมอได้การระยะเวลาการเก็บรักษาก็ไม่ควรที่จะเก็บยาไว้นานเป็นปีๆนะคะจนบางคนมีความรู้สึกว่าก็เสียดายอะ่ะหายแล้วอ่ะเก็บไว้เผื่อเป็นอีกจะ ไ, ไว้ไปทานอีก ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ายาเขาก็จะเสริมสภาพไปตามกายภาพหรือว่าเขาก็จะมีกําหนดมาว่ายาชนิดนี้ประเภทนี้เนี่ยอยู่ได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีนะคะบางทีก็ดื้อยาค่ะใช่ยาปฏิชีวนะอะไรพวกเนี้ยนะคะฉะนั้นแล้วการเก็บรักษายานี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะก็ควรที่จะใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วก็บางทีเนี้ยบางคนก็แบบอืไว้ตรงไหนก็ได้โดยเฉพาะบางคนจะชอบลืมไว้ในรถนะคะเพราะฉะนั้น เอาเป็นว่าคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดว่ายาซองยาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ลืมไว้ในรถไม่ควรที่จะนำมากินแล้วล่ะก็อาจจะต้องไปพบคุณหมอใหม่เพื่อไปบอกคุณหมอแล้วก็อาจจะต้องได้ยามารับประทานใหม่นั่นเองนะค ะ, คะก็เป็นเทป ทิปดีๆที่นํามาฝากคนฟังกันถือว่าเป็นเรื่องใก้ตัวบางคนก็ไม่ได้สังเกตนะแล้วก็อาจจะมีความรู้สึก ว, <า>ว่าไม่อย่างนั้นแหละบนโต๊ะอาหารถูกค่ะบางคน <laughs> ก็บอกว่าไม่อยากพกซองยาอ่ะขอใส่เป็นเป็นอับที่เป็นกล่องๆแล้วเป็นช่องๆช่องๆได้หรือไม่ก็แต่ว่าไม่ไ ด, ไได้ไม่น่าจะได้เพราะว่ายาบางอย่างเนี้ยต้องเก็บให้พ้นแสงแดดจริงๆนะค ะ, คะหรือว่าไม่ให้เจอแสงแจริงๆเนี่ยจะทําให้คุณภาพของยา น, นี้เสือ่อมลงได้เพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะต้องมีกระเป๋าสื่อสักหนึ่งใบนะคะสำหรับใครที่ต้องทานยาเป็นประจํานะคะแล้วก็ เอาไว้ในกระเป๋าเลยค่ะเราจะได้ไม่ลืมนะคะเวลาลงจากรถไปแล้วเนี่ยก็อ่ะหยิบไปด้วยเอาไปด้วยนะคะจะได้ไม่ลืมแล้วก็จะได้ทานยาได้ครบกำหนดถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญโรคต่างๆที่เป็นอยู่ก็จะได้หายได้ค่ะค่ะก็เป็นทริปดีๆจากเราทั้งสองคนนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันนะคะเรากลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะสักครู่ค่ะเฮที่กลับกลับของคนรักสุขภาพ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 ที่เดิมเข่ ม, มใจตัวเองเอาไว้ถึงรู้ข้างในวันไว้เมื่อไกลเธอเพียงเอื้อมมือเท่านั้นก็ไปได้ถึงตัวเธอ แต่ใจะยังห่างไกลรักเท่าไรเธอไม่รู้เลยแผ mm hmm. ่นฟ้าคราบและน้ำทะเลไม่ต่างกับเธอและฉันที่ดูเหมือน แต่ความจริงนั้นไกลเหลือเกอินอยากบอกเธอเมื่อไรที่เธอเงาไม่มีใครเธอจะยังมีฉันคอยอยู่ตรงนี้ไม่ไกลให้ใหเป็นดังเงาสะท้อนบนพื้นน้ำมอ ง, งมาเมาื่อ้ดก็เห็นฝไฟงดงามแม้จะไม่ได้เป็น ที่เธอรักก็เพียงพอแล้วที่ฉันจะคอยห่วงใยและเธอด้วยไปอยู่ตรงนี้ที่มุมนี้มุมที่มีแค่ฉันข้างเดียวก็สุขใจบอกรักเธอทีไร ก็บอกได้แค่ในใจเข้าข้า เธอและฉันที่ดูเหมือนใกลใ้กันแต่ความจริงนั้นไกลเหลือเกินอยากบอกเธอเมื่อไรที่เธอเงาไม่มีใครเธอจะยังไม่ฉันคอยอยู่ตรงนี้ไม่ไกลให้เป็นดังเงาสะท้อนบนพื้นน้ำมองมามาได้ก็เห็นฟไฟงดงามแม้จะไม่ได้เป็น คนที่เธอรักก็เพียงพอแล้วที่ฉันจะคอยห่วงใยถัาเธอไอ้ไปอยู่ตรงนี้จีมุมนี้มุมที่มีแค่ฉันข้างเดียวก็สุขใจ สท้อนบนพื้นน้ำมองมามาได้ก็เห็นไฟอ่อนงามแม้จะไม่ได้เป็นคนที่เธอรักก็เพียงพอแล้วที่ฉันจะคอยห่วงใยน่ะเธอร้อยไปอยู่ตรงนี้ที่มุมนี้เอาเมื่อไรที่เธอเหงาไม่มีใครฉันจะอยู่มุมฉันคนนีคนนีไม่ไกลจะเป็นดังง สะท<ม>อ้อนบนเพื้นน้ำมองมา ม, ม, มา่ใด <ทำ S 1> ก็เห็นไฟลวดงา ม, มแม้จะไม่ได้เป็นคนที่เธอรักก็เพียงพอแล้วที่ฉันจะคอยห่งใยเธอเรือยไปอยู่ตรงนี้จิงนี้ผมที่มีแค่ฉันข้างเดียวก็สุขใจ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 ช่วง Health Talk สนับสนุนโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีสถาบันการศึกษาชั้นนาที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการพยาบาลมืออาชีพกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเฮลที่ขรรมขับของคนรักสุขภาพนะคะช่วงนี้ค่ะช่วง Health Talk นะคะก็ยังอยู่กับดิฉันทิราวาดีและคุณแมวนะคะพี่แมวคุณนัทนเรนะคะค่ะก็วันนี้ค่ะ Health Talk เราจะมาพูดถึง Top 10พี่แมว โรคร้ายเสียงตายสูงสุดของคนไทยแล้วนี่แหละ ะะสาเหตุก็เพราะว่าชีวิตประจําวันมันเปลี่ยนไปนะคะต้องมาดูว่าท็อป10โรคร้ายเนี่ยมีอะไรบ้างที่ทําให้คนไทยเสียชีวิตนะคะคือจริงๆแล้วในสังคมเนี่ยมันมีพฤติกรรมเสี่ยงหลายอย่างนะคะปัจจุบันนี้เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันที่มันผิดปกติไปเนี่ยจนกลายเป็นปัญหาสุขภาพเรื้อรังเลยแล้วก็เป็นภัยเงียบซึ่งสามารถฆ่าชีวิตคนไทยได้หลายล้านคนนะคะแม้ว่าโรคเหล่านี้จะมีชื่อเป็นที่รู้จักแต่ก็รักษาได้ค่ะแต่ก็ไม่ควรที่จะประมาทนะคะเพราะว่าอย่างน้อยการต้องกัน ก็ดีกว่าการรักษาภายหลังนะคะอันดับแรกอันนี้รู้กันอยู่แล้วโรคมะเร็งค่ะพี่แมวค่ะอันนี้ครองอันดับหนึ่งแน่นอนไม่ว่าจะเป็นมะเร็งชนิดใดก็แล้วแต่มะเร็งลำไส้มะเร็งมดลูกมะเร็งเต้านมก็ร้วนแต่ทําให้คนไทยเสียชีวิตมานักต่อนักสถิติการเป็นมะ เ, เร็งของคนไทยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นถึง 70,000 คนนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆมะเร็งยังครองแชมป์การเป็นโรคที่เป็นมากที่สุดในประเทศ อันดับที่หนึ่งถึงห้าปีซ อ, น, อนะคะอันดับที่หนึ่งเลยมะเร็งตายด้วยโรคมะเร็งห้าปีซอนแล้วแล้วมีผู้เสียชีวิตไปได้โรคนี้ถึงปีละห้าหมื่นคนอีกด้วยนะคะโรคมะเร็งยอดยอดฮิตที่พบมากที่สุดก็คือมะเร็งตับพี่แมวอืมค่ะรองลงมาก็เป็นมะเร็งลำไส้และปอดนะะโรคเหล่านี้ร้วนแต่เป็นโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจาวันแบบผิดๆของคนในยุคสมัยนี้ละค่ะ ซึ่งการรักษาทางการแพทย์การรักษาโดวยวิธีสมุนไพรหรือแม้แต่การดูแลสุขภาพแบบชีวจิตก็ร้วนแต่เป็นวิธีการรักษามะเรง็งที่ถูกคิดค้ดคนมาเพื่อรักษาและป้องกันโรคมะเร็งทั้งสิ้นนะคะมาถึงโรคที่สองนะคะก็โรคหลอดเลือดหัวใจนะคะโรคโยอดิตอีกหนึ่งโรคที่คนไทยเป็นกันไม่แพ้มะเร็งเลย ะะด้วยนิสัยการทานอาหารที่มีไขมันสูงแล้วก็ไม่ยอมออกกําลังกายสูบบุรีจัดปล่อยให้ตัวเองอ้วนนะคะโดยพันธุกรรมบางคนก็ข่ําเคร่งอยู่กับงานตลอดทั้งวันและยังเป็นอีกหนึ่งโรคแทรกซ้อนนะคะของผู้ป่วยโรคเบาหวานก็คือถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยก็เสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะสาเหตุเกิดจากการที่ไขมันไปจับเกาะผนังหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจค่ะจนตีบแล้วก็แคบลงทําให้หลอดเลือดมีการอักเสบร่างกายจึงต้องส่งมเมล็ด มาเม็ดเลือดขาวเนี่ยมาซ่อมแซมยิ่งยิ่งถ้าทําให้เม็ดเลือดเหล่านี้เข้าไปอุดตันทางเดินเลือดจนเลือดไม่สามารถถูกส่งไปเลี้ยงหัวใจได้กล้ามเนื้อหัวใจก็จะตายจากการขาดเลือดส่งผลให้หัวใจหยุดเต้นอย่างเฉียบพลันนะคะแล้วก็เสียชีวิตอย่างรวดเร็วค่ะถ้าไม่อยากเป็นโรคนี้ต้องลดอาการของโรคลงก็ต้องหันมาดูแลสุขภาพนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์เน้นไขมันที่มันตําๆผักผลไม้พร้อมออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอแต่ถ้าใครมีปัญหา ของโรคนี้แล้วมีปัญหากับการเป็นโรคนี้แล้วต้องไปพบแพทย์เพื่อทําการรักษานะคะแล้วก็รับคําแนะนําในการรักษาตัวที่มันถูกต้องโรคที่สามพี่แมวค่ะท็อปเทนใช่ไหมคะมาถึงโรคที่3ามแล้วโรคนี้ไม่มีใครไม่รู้จักโรคเบาหวานนะคะเป็นโรคที่ร่างกายสร้างฮอร์โมนอ็นซูรินมามากทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงกว่าปกติค่ะร่างกายจึงไม่สามารถใช้น้ําตาลได้อย่างเหมาะสมและตับอ่อนทํางานได้ไม่เต็มที่จนไม่สามารถนําน้ําตาล ในเบาหวานเนี่ยมันจะแบง่งในน้ําตาลในเบาหวานเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือเบาหวานชนิดที่ภูมิคุ้มกันทําลายตัวเองเราเรียกว่าโรคโรคภูมิต้านทานตัวเองนะคะแล้วก็อีก1ชนิดก็คือเบาหวานที่ยังไม่สามารถหาสาเหตุได้แน่ชัดได้แต่ส่วนใหญ่จะมาจากพันธุกรรมแล้วเป็นเบาหวานชนิดที่คนเป็นมากที่สุดนะคะอันนี้ก็ยังไม่สามารถหาสาเหตุได้ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานในเบื้องต้นเนี่ย จะมีอาการปัสสาวะบ่อยมีสีเข้มหรือว่าถ้าปล่อยไปสักพักจะมีมดมาตอมที่ปัสสาวะ ม, มีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายดื่มน้ําเยอะหิวน้ําบ่อยเบื่ออาหารน้ําหนักตัวลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุเป็นแผลเราหายยากเป็นแผลง่ายแล้วก็เกิดการชาตามมือตามเท้าหรือส่วนอื่นๆของร่างกายนะคะ ก็คือการรักษาเนี่ยมีทั้งฉีดอินซูลินเข้าไปเพื่อกระตุ้นให้ตับอ่อนสามารถสร้างอินซูลินและดูแลชีวิตที่ต้องควบคุมอาหารที่มีไขมันการดูแลชีวิตนะค ะ, ค, ะควบคุมอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูงออกกบลังกายอย่างสม่ำเสมอควรเช็คน้ำตาลในทุกวันงดอาหารเค็มแล้วก็พบแพทย์ตามนัดเสมอค่ะพี่แมว มาถึงโรคที่4แล้วค่ะท็อป10นะคะคุณผู้ฟังก็คือโรคความดันโลหิตสูงนะคะหรือว่าโรคภาวะความดันโลหิตสูงนั่นเองโดยที่ความดันที่บอกความดันสูงสูงแค่ไหน1 4 0 9 0มิลลิเมตรประลอดขึ้นไปนะค ะ, คะซึ่งความดันของคนปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ เกถึงถึง็มมปลอดก็คือตัวแรกเนี่ยอยู่ระหว่าง9 0 1าสถึงส่วนตัวที่สองเนี่ยจะอยู่ประมาณ 60-79 ถ mm ึงมิลิเมตรปลอดถ้าใครสูงกว่านี้ก็ถือว่าเข้าข่ายว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงซึ่งความดันโลหิตสูงค่ะคุณฟังแบ่งออกเป็น2ชนิดชนิดแรกคือแบบไม่ทราบสาเหตุเขาว่ากันว่าไอ้โรค ที่ว่าไม่ทราบสาเหตุนเนี่ยสามารถพบได้เยอะเลยข่าวน้องทีก็คืออยู่ที่ประมาณ 90-95% ของผู้ป่วยโรคนี้แล้วก็เชื่อว่าน่าจะเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันอาจจะจากฮอร์โมนก็ได้ต่อมต่างๆของร่างกายก็ได้ที่ต้องควบคุมความดันในร่างกายหรือเอนไซม์ก็ได้นะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเขาทำงานไม่สอดคล้องกันค่ะหรือว่ามีความผิดปกติไปบางทีก็อาจจะเกิดจากพันธุ ก, กรรมเชื้อชาติการรับประทานอาหารที่มีรสเค็มจดัด หวานจัดอะไรก็แล้วแต่ความไม่สมดุลของเกลือแร่แคลเซียมทํางานไม่สมดุลกันอันนั้นก็คือแบบไม่สร้างสาเหตุแต่ถ้าเป็นแบบสร้างสาเหตุค่ะคุณผู้ฟังก็คือจะพบได้แค่ประมาณ5้าของผู้ป่วยเกิดจากโรคต่างๆที่มีผลต่อหลอดเลือดนะคะต่อหัวใจแล้วก็ความแล้วก็สมดุลของฮอร์โมนในร่างกายที่พบบ่อยก็คือโรคไตเรื้อรังจากการติดสุราเนื้องอกที่ต่อมหมวกไตนะคะเนื้องอกในสมองนอกจากนี้แล้วเนี่ยผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานโรคอ้วนหรือแม้ การเป็นธาตุยาสเตยรอยบางชนิดก็สามารถที่จะทำให้เป็นโรคความดันโลหิตสูงได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งอาการหะคะคุณผู้ฟังเขาจะมีอาการเวียนศีรษะสับสนเจ็บหน้าอกมึนหัวใจส่นหนเหงือ่อออกมากปวดศีรษะถ้าเกิดมีอาการเหล่านี้คะ่ะคุณผู้ฟังต้องรีบไปพบคุณหมอโดยทันทีนะคะเพราะนั่นเป็นอาการเริ่มต้นของโรค ค, ความดันโลหิตสูงได้ แต่ถ้าเกิดจะไม่ให้เป็นก็ต้องมีการงดแป้งงดน้ำตาลนะคะไขมันมรวมถึงอาหารเค็มต่างๆด้วยออกกำลังกายแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องลดความเครียดไม่สูบบุหรี่นะคะแล้วก็ เลิกแอลกอฮอล์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีอาการไม่ดีเนี่ยต้องรีบพบคุณหมอโดยทันทีโรคที่4ี่คุณผู้ฟัง <c oughs> มาถึงโรคที่ห้าวันโรคที่มากับอากาศคา่ะหรือว่าโรคปอดอักเสบนั่นเอง <c oughs> เป็นกันบ่อยนะคะโรคปอดอักเสบเนี่ยเพราะว่าเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ น, นะคะซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อาจจะพบได้ภายใน บรรยากาศทั่วไปนนแหะค่ะแล้วก็จะมีแนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นมากนะคะสูงถึงปีละ 70% เลยค่ะคุณนุฟังซึ่งวันโรกนี่เป็นโรคแสกซอนได้ง่ายอาการของผู้ป่วยเป็นวัณโรคก็จะมีการอาการเป็นไอแห้งๆติดต่อกันเกิน3สัปดาห์หรือบางทีนืไอเนี่ยอาจจะมีเลือดปนมาด้วยนอกจากนี้ค่ะคุณฟังในบางรายเนี่ยอาจจะมีอาการอ่อนเพลียมีไข้ ร, ร่วมด้วยแต่ผู้ที่เป็นในระยะแรกๆเนี่ยมักจะไม่ค่อยแสดงอาการ ก็อาจจะมีแค่เบื่ออาหารน้ำหนักลดแน่นหน้าอกนะคะเจ็บ เจบทุกครั้งเจ็บในอกทุกครั้งใเวลาที่ไอหรือต้องอยู่ร่วมกับผู้ป่วยโรคนี้เนี่ยก็ต้องจัดสถานที่ให้โลง่งโปรง่งอากาศถ่ายเทสะดวกไม่คลุกคลีหรือว่าสัมผัสผู้ป่วยโดยตรงแล้วก็ในบางคนค่ะที่เป็นเนี่ยก็ควรที่จะไปพบคุณหมออย่างสม่ําเสมอหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านหรือว่าในที่ที่มีคนเยอะนะคะเพื่อลดการติดเชือ้อแล้วก็การแพร่เชื้อเนี่่สู่คนอื่นค่ะนี่ในการรักษาระยะแรกเนี่ยผู้ป่วยต้องได้รับยาอย่างสม่าเสมอติดต่อกันไประยะเวลา6เดือนนะคะอาการก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วก็บางที อาจจะหายป่วยได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าผิดนัดลับไม่ไปรับยาตามคุณหมอนะคะก็จะเกิดอาการดื้อยาแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องมานับหนึ่งใหม่นะคะก็คือสมมุติทานไปละสีเดือนค่ะลืมหรือว่ามีความรู้สึกว่าไม่ต้องกินแล้วหายแล้วหรือว่าไม่ไปตามที่คุณหมอนัดคุณผู้ฟังก็ต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่นะคะเพราะว่ายาที่ให้ใหม่เนี่ยต้องมีความอาจต้องมีความเข้มข้นมากขึ้นจากต้องติดต่อ รับประทานยาติดต่อกัน6เดือนอาจจะใช้ระยะเวลาถึงสิบปดเดือนในการรักษาเพิ่มเป็นเท่าเลยค่ะคุณผู้ฟังะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเป็นแล้วเนี่ยต้องควรไปพบคุณหมอแล้วก็ถ้าเกิดคุณหมอนัดไปรับยาเนี่ยก็ควรที่จะไปให้ตรงนัดนั่นเองอืโรคต่อไปโรคที่หกแล้วค่ะคุณผู้ฟังโรคปอดเรื้อรังนะคะโรคปอดเรื้อรังนี่สามารถเป็นถุงลมโป่มพองได้น ะ, ะมันสามารถกลายเป็นถุงลมโป่งพ อ, องได้ซึ่งเกิดจากเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆเข้ามาอยู K ่ในชั K ้นเยื K ่อบุและชั L ้นใต้เยื K ่อบุมากขึ้น ต่อมาต่อมผลิตเมือกที่อยู่ใต้ชั้นเยื่อบุก็จะมีขนาดใหญ่มากขึ้นแล้วก็เมื่อผลิตเมือกเข้าสู่หลอดลมก็จะทําให้เซลล์นั้ น, ะนะทําหน้าที่กวาดสิ่งสกรปรกเมือกที่เคลือบไว้แล้วก็นําเอาเมือกจากจุดอื่นๆมาสู่หลอดลมอย่าง ม, มากมายนั่นเองนะคะแล้วก็ถุงลมก็จะถูกทําลายไปทีนี้สาเหตุหลักที่เกิดจากโรคนี้นะคะก็คือการสูบบุหรี่นั่นเองหรือว่าการหายใจเอาสารเคมีเข้าไปนานๆแล้วเกิดการสะสม รวมถึงมลภาวะในอากาศด้วยนะคะแล้วก็โรคทางพันธุกรรมบางชนิดก็สามารถที่จะทำให้เกิดโรคนี้ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ค่ะคุณผู้ฟังโรคปอดเรืเ้อรังนีจะมาจากผู้ที่สูบบุหรี่หรือว่าได้รับสารพิษนั่นเองนะคะ ในปัจจุบันคนนิยมสูบบุหรี่กันเยอะมากขึ้นก็ทําให้เป็นโรคนี้มากขึ้นในเงาตามตัวนั่นเองแล้วก็จะมีอาการเจ็บหน้าอกค่ะคุณผู้ฟังเหนื่อยง่ายนะคะมีความรู้สึกว่าฉันเดินแค่นี้ฉันก็เหนื่อยแล้วนะค ะ, คะหายใจมีเสียงดังค่ะถ้าเกิดวราระศาตัวเองหรือว่าดูแลตัวเองไม่ดีแล้วเนี่ยจะเกิดการภาวะหายใจล้มเหลวจนกระทั่งเสียชีวิตได้ฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะใครที่สูบบุหรี่ก็ต้องมดนะคะ อันนี้นี่เพื่อคนตัวเราเองแล้วก็คนในบ้านด้วยนะคะหลีกเลี่ยงการสูดดมควันพิษต่างๆจากมลภาวะรอบๆข้างถ้ามีอาการไม่ดีหายใจขัดหอบเหนื่อยง่ายมีอาการไอก็ควรที่จะไปพบคุณหมอโดยทันทีเพราะว่ามันเป็นอาการที่บ่งบอกว่ามีความผิดปกติในเรื่องของการหายใจ <ะ>อีกหนึ่งโรคค่ะอันนี้คือโรคที่7จ็ดละนะคะท็อป10อยู่ในโรคที่7ก็คือโรคภูมิแพ้แม้เป็นด้วยนะคะพี่แมวติดท็อป10ด้วยนะ่าพูดคุยคุณผู้ฟังฟังด้วยนะคะเพราวะว่าที่ฉันก็เป็นโรคภูมิแพ้เหมือนกันโรคภูมิแพ้ที่หลากหลายชนิดเนี่ยสาเหตุมาจากการแพ้ต่อสารต่างๆแม้กระทั่งอากาศ<ะ>แล้วก็อาหารที่ทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรังต่อเยื่อบุต่างๆในร่างกายค่ะซึ่งอาจจะเกิดจากพันธุกรรมแล้วก็สภาพแวดล้อมรอบตัวเรานี่แหละมันมีหลากหลายอาการนะคะเพราะว่า การแพ้อาจจะเกิดแทบจะทุกส่วนของร่างกายค่ะบางทีก็จามหายใจลำบากในเวลากลางคืนนะคะภูมิแพ้อากาศภูมิแพ้อากาศเนี่ยอาการผื่นคันขึ้นตามร่างกายเมื่อทานอาหารที่ร่างกายไม่ชินค่ะ ถ้าภูมิแพ้อากาศเนี่ยดิฉันดิฉันเป็นเลยพออากาศเปลี่ยนกินอะไรเข้าไปก็ผื่นขึ้นทั้งทั้งที่สงสัยว่าเอ๊ะเราแพ้อากาศหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันเป็นภูมิแพ้อากาศนะคะคุณหมอก็จะบอกว่าเพราะว่าอากาศเป็นเปลี่ยนเราก็เลยเป็นอาการภูมิแพ้ผื่นขึ้นมาได้อย่างนี้นะคะภูมิแพ้ผิวหนังอือาการปรวดท้องรุนแรงกับทา่ายปกตินะคะแล้วก็ภูมิแพ้ในระบบทางเดินอาหารนะคะ ภูมิแพ้แบบผสมมีภูมิแพ้หลายอย่างนะคะค่ะภูมิแพ้แบบผสมเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากเมื่อเจอสิ่งแปลปลอมนะคะเข้ามาสู่ร่างกายเพราะว่าในปัจจุบันค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรืออากาศก็ร้วนมีแต่สิ่งแปลปลอมเนี่ยเจือปนด้วยกันทั้งนั้นนะคะคนที่เป็นโรคนี้มีอัตราพเพิ่มสูงขึ้นในทุกปีค่ะในเบื้องต้นควรดูแลตัวเองในเรื่องของการนอนหลับนะคะก็คือเราควรจะนอนหลับ พักผ่อนให้ได้มากที่สุดแล้วก็ตื่นให้เป็นเวลานะคะเราออกกําลังกายรับประทานอาหารที่สดใหม่เสมอที่นอนหมอนมุ้งนะคะผ้าห่มซักให้สะอาดอยู่ตลอดเวลาค่ะหลีกเลี่ยงอาหารที่กอ่อให้เกิดอาการอย่างเช่นอาหารทะเลขนมปังนมวัวนะคะเมื่อมีอาการก็ให้หายาต้านอิสตามีนนะคะหรือว่าคอเฟนมิรามินนะคะเป็นยากแก้อาการเบื้องต้นถ้ามีอาการหนักนะคะหนักขึ้นก็ให้หยุดยาแล้วก็ต้องรีบมาพบแพทย์ทันทีค่ะ อีกหนึ่งโรคค่ะโรคที่8พี่แมว <c oughs> โรคระบบประสาทจิตเวท อ, อันนี้ฟังแล้วก็น่า ก, กลัวเหมือนกันนะคะเพราะว่าชีวิตทุกวันนี้มันก็ยังต้องดิ้นรนเพื่อให้ใช้ชีวิตรอดการทำงานจึงมีความกดดันค่ะและความเครียดค่อนข้างสูงจึงทำให้ผู้ที่มีโรคระบบจิตเวทมีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันค่ะ ทั้งนี้ยังรวมประเภทของคนที่ทานยาลดความอ้วนยาระงับประสาทหรือผู้ที่เป็นมาโดยกำเนิดนะคะโดยที่คนเป็นโรคนี้จะมีพฤติกรรมที่เหมือนกับคนปกติทำให้มองไม่ค่อยออกว่าเป็นใครซึ่งอาจจะทำอะไรที่มันร้ายแรงขึ้นเมื่อเกิดอาการกดดันหรือรับเอาความเครียดมากๆในบางรายเนี่ยที่เกิดก็เกิดจากการขาดยาที่ได้รับเป็นประจา นะคะผู้ป่วยสามารถอยู่ร่วมกับคนปกติได้ค่ะเพียงแต่ว่าต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยคนในบ้านลดความเครียดโดยการพูดคุยปรับทุกขกับคนใกล้ชิดถ้ารู้สึกกดดันก็ให้เอาตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นๆโดยทันทีค่ะในรายที่มีอาการผิดแปลกจนถึงขั้นอารวาดเนี่ย ก็ต้องเรียกศูนย์ความช่วยเหลือศูนย์ให้ความช่วยเหลือเพื่อรับตัวไปพบแพทย์วินิจฉัยอาการกันต่อไปนะค ะ, คะโรคที่เก้ากับสุดท้ายแล้วค่ะโรคระบบกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นอักเสบนะคะไม่ว่าจะเกิดจากการก้มดูโทรศัพท์ทํางานหน้าจอคอมหรือว่าการเล่นกีฬาแล้วก็จะปวดรุนแรงมากขึ้นเมื่อมีอาการถูกกระตุน้นถ้าในคนปกติไม่มีอาการปวดแต่ถ้าคนที่ปวดและเมื่อเกิดอาการปวดแบบจริงจังนะคะก็จะปวดมากกว่าคนปกติถึง2เท่าเมื่อเป็นแล้ว อาการจะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะพ่วงเอาสารพัดโรคจริตตามมาด้วยอย่างเช่นปวดกล้ามเนื้อหรือว่าเอ็นอักเสบเนี่ยปวดมากๆก็จะเป็นโรคซึมเศร้า ว, วิตกกังวลนอนไม่หลับแล้วก็อ่อนเพรียค่ะและสังเกตง่ายๆก็คือจะมีอาการบวมที่ตาข้อมือข้อเท้าไวต่อแสงและเสียงปวดศีรษมากในช่วงตอนเช้า ปวดปัสสาวะบ่อยปวดท้องเรื้อรงังท้องเสียง่ายติดต่อกันเป็นเวลา3เดือนและถ้ามีอาการปวดหัวรุนแรงขึ้นก็ต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะแนวทางในการดูแลตัวเองก็คืองดเล่นโทรศัพท์และจ้องจอคอมสักพักนะคะพร้อมกับลดความเครียดจากการงานลงทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายเพื่อบริหารจุดที่ปวดเบาๆค่ะแล้วก็พยายามนอนให้ตรงเวลาเสมออืมก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อนะคะอักเสบเนาะโรคสุดท้ายแล้วคะ่ะคุณผู้ฟังก็คือโรคที่สิบ โรคอ้วนแล้วก็น้ําหนักตัวเกินนะคะซึ่งโรคอ้วนเนี่ยถือเป็นโรคที่คนไทยจะมาหัวนิยมกันเป็นมากที่สุดแล้วก็เป็นโรคที่พบได้ง่ายมากที่สุดด้วยนะคะก็นั่นแหละค่ะก็คือเกี่ยวกับการบริโภคนะคะซึ่งบางทีเนี่ยอย่างที่บอกก็คือการใช้ชีวิตในประจําวันบางทีเนี่ยด้วยความเร่งรีบเนี่ยเราก็ต้องบริโภคหรือหาของทานเนี่ยที่มันง่ายสะดวกต่อการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็การที่ คนที่ปัจจุบันในราคาการชีวิตของคุณทันสมัยเนี่ยก็ต้องทํางานตลอดเวลาบางทีเนี่ยไม่ได้ใส่ใจหรือไม่ได้สนใจเกีกับเรื่องของการออกกําลังกายนะค ะ, คะหรือว่าบางคนเนี่ยก็โทษอะไรไม่ได้พบางทีเนี่ยอาจจะเป็นมาจากพันธุ ก, กรรมหรือเป็นมาจากกําเนิดนะคะเพราะาร่างกายเนี่ยไม่สามารถที่จะเผาผัานพลังงานได้หรือว่าเผาผัานพลังงานได้น้อย ก, กว่าคนปกติอาจจะเป็นเพราะผลข้างเคียงจากการที่ต้องรับประทานยาบางชนิดนะคะซึ่งโรคอ้วนค่ะคุณฟังเขามีสาเหตุตน้น ของโรคนะคะก็คือบางทีเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของความดันภาวะหยุดหายใจเฉื่อยพานหรือหรือว่าอีกหลายๆโรคทีนี้เมื่อมีน้ําหนักตัวสูงกว่าปกติหรือว่าน้ําหนักตัวค่อนข้างสูงเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเริ่มหนาละนะคะมีการหายใจลําบากนั่นคืออาการส่งสัญญาณว่าควรที่จะต้องเริ่มลดความอ้วนอย่างจริงจังแล้วก่อนที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนอันตรายอื่นๆตามมานะคะทีนี้ ควรที่จะลดน้ำหนักให้ได้ประมาณ 10% ค่ะคุณฟางภายใน6เดือนก็คือให้เราลดโดยการออกกำลังกายนะคะแล้วก็ในเรื่องของการรับประทานอาหารแล้วก็ภายใน6เดือนเนี่ยก็เป็นการออกกำลังกายที่ไม่หักโหมจนเกินจนเกินไปจนเกิดอันตรายนะคะ ซึ่งการออกกำลังกาย 10% ภายใน6เดือนเนี่ยถือเป็นตัวเลขที่เหมาะสมกับคนที่ต้องการลดความอ้วนนะคะ ท, ที่ต้องดูแลในเรื่องของอาหารการกินเพิ่มเติมด้วยนะคะลดอาหารที่เป็นไขมันสูงแต่ไปเพิ่มในเรื่องของผักและผละไม้ลดการใช้ชีวิตแบบคนสมัยใหม่ค่ะคุณผู้ฟังลดความเครียดแล้วก็หันมาออกกําลังกายมากขึ้น ท, ทีนี้ในบางรายค่ะคุณผู้ฟังที่มีอาการอ้วนมากเกินไปเนี่ยจนไม่สามารถที่จะลดได้เองเนี่ยบางทีแล้วก็ต้องพบคุณหมอเพื่อทําการผ่าตัดซึ่งบางทีนี่มันอาจจะเป็นโรคทางพันธุกรรม หรือว่าเกิดขึ้นระบบภายในผิดปกติในเรื่องของระบบการเผาผลาญ น, นั่นเองอันนี้ก็ต้องพบคุณหมอค่ะทั้งหมดทั้งมวลค่ะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นภัยเงียบที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเราหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันที่ผิดเพี้ยนไปนะคะทีนี้ก็จะมาบอกคุณผู้ฟังว่าทั้ง10บโรคนี่แหละสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วก็สามารถที่จะเกิดได้กับทุกๆคนฉะนั้นแล้วก็ไม่ควรที่จะละเลยหรือคิดว่าไม่เป็นไรหลอมยมามาไม่ถึงนะค ะ, คะเพราะเราเนี่ยไม่สามารถที่จะ เป็นได้ทุกอย่างนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแลตัวเองไม่ดีเนี่ยไม่ใส่ใจสุขภาพในเรื่องของอาหารการกินการใช้ชีวิตประจำวันที่อยู่นะคะภายในบ้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยความสะอาดถูกหลักอนามัยเนี่ยถ้าเราไม่สนใจใส่ใจเนี่ยก็สามารถที่จะเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้ได้นะคะซึ่งมีความเสี่ยงสูงทีเดียวนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เป็นแบบอย่างที่เป็นแบบอย่างกับผู้ที่ กำลังเป็นะนะคะหรือว่าเป็นแล้วเนี่ยให้ให้เขาเนี่ยสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องก็ต้องดูแลรักษาตัวเองให้ดีๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องพบคุณหมอด้วยซึ่งบางคนถ้าเป็นโรคอ้วนเนี่ยบางคนก็มีน ะ, ะออกกำลังกายก็แล้วดูแลในเรื่องของโภชนาการอาหารต่างๆก็แล้วก็ยังไม่หายก็อาจจะเกิดเพราะว่า ระบบการเผอผ่านในร่างกายของเราอาจจะไม่ดี อ, อันนี้นี่ถือว่าต้องพบมหมอด้วยนะคะเป็นค่ะบางค น, นก็แบบคือก็อ้วนมาโครงสร้างมันใหญ่อยู่แล้วะคะ่ะถ้าเกิดบางคนโครงสร้างใหญ่นะคะแล้วถ้าเกิดยิ่งอ้วนด้วยแล้วเนี่ยก็จะทําให้ตัวหนามากขึ้นแล้วก็บางทีเนี่ยก็อาจจะมีอันตรายอย่างอื่นโรคอื่นๆแฝงอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายๆโรคเหล่านี้ละค่ะตอนนี้สังคมไทยกําลังเป็นอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่อยาก ติดหนึ่งในสิของโรคเหล่านี้นะคะก็ต้องดูแลสุขภาพกันค่ะด้วยความห่วงใยของเรา2คนจริงๆนะเพราะว่าตอนนี้มีความรู้สึกว่าเด็กเล็กๆเนี่ย<ฆ>เขาก็มีความรู้สึกเห<ฆ>มือนเขาอ้วนมากขึ้นอะ่ะ<ฆ>เขาอ้วน<ฆ>เขาอ้วนกว่าเกณฑ์มาตรฐานมากขึ้นแล้วก็ <c oughs> จะสังเกตว่าเป็นเรื่องของ การร <ford passage> ับประทานอาหารที่มันสะดวกไงคะฟาสต์ฟู้ดแล้วเด็กๆบางคนสังคมเร่งรีบอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆบางคนอ่ะเวลาเลิกน้องนอง่ะบางทีเลิกเรียนแล้วอ่ะหรือไม่ก็ทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ต้องมีขนมกรุบกรอบอ่แล้วขนมกรุบกรอบตอนนี้คุณผู้ฟังสังเกตไหมคะว่าเขาจะรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องการลดเค็มแล้วขนมกรุบกรอบเนี่ยบางทีเขาก็จะมีโซเดียมค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆพอทานไปบางทีเนี่ยแยกไม่ออกนะคะเด็กอ้วนหรือว่าเด็กบวมน้ำ เพราะว่าถ้าเกิดทานเค็มหรือว่าโซเดียมไปเยอะๆเนี่ยบางทีร่างกาย ร, ระบุมน้ำได้นะ ไม่ต้องเด็กหรอกค่ะผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยแหละค่ะบางทีก็บวมน้ําได้ถ้าเกิดเราทานโซเดียมเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไม่อยากจะเป็นท็อปเทนในสิบโรคเหล่านี้นะคะก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพดูแลในเรื่องของอาหารการกินในเรื่องของโภชนาการในเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดแล้วก็ที่สําคัญดื่มน้ําเยอะๆออกกำลังกายค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็สิบโรคค่ะยังไงเราต้องอยู่อยู่แล้วแล้วเราต้องมารู้ว่าสิบโรคอะไรบ้างที่คนเขาเป็นกันเยอะๆนะคะถ้าไม่อยากเป็นก็ต้อง ดูแลสุขภาพรวมถึงก็คัดกรองด้วยกันตรวจสุขภาพประจําปีนะค ะ, คะก็จะทําให้รักษาได้เร็วถ้าเราเจอโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะคะก็เป็นความปรารถนาดีจากเราทั้งสองคนนี่แหละค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการของเรานะคะพบกับเราได้ใหม่ค่ะในทุกๆวันอาทิตย์เลยนะคะ4ี่นาฬกาถึง5้านาฬิกาค่ะสําหรับวันนี้ดิฉันธีรวดียิ่งมีคะ่ะพิฉันนัทนารีศุก ด, ดีค่ะราคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะเฮลที่กลับ กลับของคนรักสุขภาพสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง w w w r a d i o rmutt a c t h หรือติชมรายการได้ที่ f a c e b o o k c o m rmutt radio หรือทางไลน์ Official ยลแ R M U T T Radio.